พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าชื่อทีฆานิายศีลขันธวรคเป็นสุดตันตะปิฎกทีฆานิายแปลว่าหมวดหรือพวกขนาดยาวได้แก่พระสูตรหรือพระธรรมเทศนาที่ยาวนํามาจัดไว้เป็นหมวดหรือพวกไว้ในที่นี้คาําว่าศีลขันธวัคแปลว่าวัคที่ว่าด้วยกองศีล ทีขานิกายหรือหมวดยาวนี้มีสามวัคคือสิลขันธวัคมี13สูตรมหาวัคมี10บสูตรปาติกวัคมี 11, สูตรและแตละวัคตั้งชื่อตามข้อความในสูตรบ้างตามชื่อของสูตรบ้างคือในสิลขันธวัคสูตรแรกมีเรื่องสีลจึงตั้งชื่อสิลขันธวัคในมหาวัค สูตรแรกชื่อมหาประธานสูตรจึงตั้งชื่อมหาวัคในปาติกวรคสูตรแรกชื่อปาติกสูตรจึงตั้งชื่อปาติกวรคพระไตรปิฎกทีฆนิกายนี้มีสามเล่มเล่มละวรคตามชื่อที่กล่าวมาแล้วรวมทั้งเส้นมี34สูตรพระสูตรในเล่มเก้าหรือในทีฆนิกายศิลคันธวัคมีสิบาสูตร ตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. พรมมชาลสูตรสูตรที่เปรียบเหมือนไข่อันประเสริฐที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางคือกล่าวถึงลัทธิศาสนาต่างๆที่มีในครั้งนั้นที่เรียกว่าทิฏฐิ62เป็นการชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมแตกต่างจาก62ลัทธินั้นอย่างละเอียด 2. สามัญญผ ล, ลสูตรว่าด้วยผลของความเป็นสมณะหรือผลของการบวช 3. ามอภัตตสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับอพัตถมานพมีข้อความกล่าวถึงประวัติศาสตร์สักยะวงศ์สโสนทันทสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับโสนทันทพรามมีข้อความกล่าวถึงคุณลักษณะห้าอย่างของพราม 5. กูตะทันตะสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับกูตะทันตะพราหม์เรื่องการบูชายันโดยวิธีสังคมสงเคราะห์ดีกว่าการบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์รวมทั้งปัญหาการปกครองประเทศให้ได้ผลดีทางเศรษฐกิจลดจำนวนโจรผู้ร้าย 6. มหาลิสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับเจ้าลิชวีชื่อมหาลิเรื่องตาทิพย์ หูทิพและความสามารถที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือการทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป 7. ชาลิยะสูตรว่าด้วยการโต้อตอบกับนักบวชสองคนคนหนึ่งชื่อชาลิยะเรื่องชีวะกับสรีระ 8. มหาสีหนาทสูตรหรือมหาสีหนาสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนา ของพระพุทธเจ้าโดยมีคุณธรรมเป็นพื้นรองรับ 9. โปตถปาทสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับปตถปาทปปริพาชกเรื่องอัตตาและธรรมะชั้นสูงอื่นๆ 10. สุภสูตรว่าด้วยการโต้ตอบระหว่างพระอนนทะเทระกับสุภามานบโตเทยบุตร 11. เกวัตตะสูตร ว่าด้วยการแสดงธรรมเรื่องปาฏิหาริย์สามแก่ข้ารือหบดีชื่อเกวัตตะ 12. โลหิตจสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับโลหิตจพรามถึงเรื่องมิจฉาทิฐิและศาสดาที่ควรติไม่ควรติ 13. เตวิ ช, ชสูตรว่าด้วยพรามผู้รู้ไตรวิทยาเคยเห็นพระพรมหรือไม่ และว่าด้วยวิธีเข้าอยู่ร่วมกับพระพรหม